เกิน5นาทีนะครับเพราะว่าคำพูดมันสั้นเออคนละ3นาทีก็พอขยายความเพราะวิสัยทัศนมันคนไม่ยาวมากอัเนเวลาด้ะะคชิญเลยครับเอาตบมพือให้เพื่อนหน่อยครับขอปากกาศเลยเออเชิญเลยครับ คือตอนนี้เราจะหาวิสัยทัศน์ทั้ง5ุ้กลม่ได้ยัง<า>ไม่ใช่ภารกิจนะครับวิสัยทัศน์คืออางที่บอกว่าเอ๊ะปีเราอยากจะเป็นอะไรครั บ, บ, บมาตรงกลางมาตรงกลางพุโทโธธรรมโมสังโฆ ค, ค่ะอาจารย์พร้อมับเวลาจเจริญธรรมท่านอาจารย์ที่เคารพ เพื่อนนิสิต ท, ทุกคนคะ่ะกลุ่มค่ะเป็นกลุ่มอะไรกลุ่มนงบริการใช่หค่ะสำหรับกลุ่มงานบริการนะคะ ก, ก, ก่อนที่จะมาเป็นวิสัยทัศน์สุดท้ายเนี่ยเราก็ได้ ระดมสมองกันอย่างเข้มข้นนะคะว่า4ปีเนี่ยเราอยากจะให้เกิดอะไรแล้วก็สิปีเนี่ยเราอยากจะเห็นอะไรนะคะค่ะอันดับแรก4ปีเนี่ยแน่นอนค่ะเป้าหมายของเราเนี่ยเราจะต้องไปให้ถึงเป้าหมายก็คือจบบอนบอบการจบมดมก็คือการพรากเรามั่นใจคะ่ะว่าเราจะได้เลื่อนฐานจิตกันทุกคนนะค ะ, ะโดยเฉพาะคนที่ถือสินห้าอ่อนๆก็จะศินห้าเข้ม สินห้าเข้มแล้วก็จะเลื่อนเป็นสิน8ปดคนสิน8ปดอานอนก็จะเป็นสินแปดเข้มแต่ยังไม่มีสินสิบนะคะกลัวไม่ได้ใช้เงินค่ะเลื่อนฐานจิตนะคะแล้วก็เราก็คิดว่าสี่ปีเนี่ยชาวโสกจะแข็งแรงไม่ป่วย เมื่อป่วยก็สามารถที่จะพึ่งตนเองได้ไม่ต้องหารถไปโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าเรามีองค์ความรู้ที่หลากหลายเยอะแยะมากมายที่จะไม่ถึงทางตันนะคะสุดท้ายเราก็คือแพทย์ที่ไม่มีทางเลือกนั่นแหละคือเราจะหายเพราะแพทย์ที่ไม่มีทางเลือกนั่นค่ะเราคิดว่า4ปีเนี่ยสามอาชีพกู้ชาติน่าจะสมบูรณ์นะคะนั่นก็คือตัวบ่งบอกก็คือกสิกรรม ไร่สารพิษเนี่ยในเครื่อนไขโ่โศกเราเนี่ยจะเพียงพอไม่ต้องไปซื้อจะตําส้มตำก็ไม่ต้องไปซื้อมาเขือเทศนะคะหรือจะทำข้าวมันไก่ก็ไม่ต้องไปซื้อแตงกวาตลาดเราจะมีทุกอย่างเลยนะจากที่ความสามารถในการบริหารจัดการของเรานะคะเมื่อจบบอนอบอนแล้วเนี่ยต่อไปออนอกจากนั้นเนี่ยขยะนะคะจะมีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบนั่นก็คือจะเกิดสอขอจอนะคะที่ ทำงานเป็นระบบแล้วก็มีไรายได้เข้ามาด้วยนะคะส่งเสริมการจัดตั้งสาวกปุ๋ยเครือแหชาวอาโศกอันนีเ้เมื่อเราเข้มแข็งแล้วเนี่ยเราก็กระจายกระจายไปสู่เพื่อให้ทั่วถึงชาวทั่วถึงชุมชนที่เขาเดือดร้อนนะคะนั่นก็คือเราจะต้องกระจายไปตามเครือแหอโศกในหลายๆแห่งทั่วประเทศนะคะค่ะอันนี้ก่อนนะคะ เ, เราเรามีความรู้สึกว่า ที่พักอาศัยของพี่น้องคือเราเอาปัจจัยสี่มาจับนะคะที่พักอาศัยของพี่น้องเนี่ยพวกเรายังลำบากอยู่ยังไม่เพียงพอเราก็คิดว่าสี่ปีเนี่ยพี่น้องมาจากบ้านเหนือบ้านใต้บ้านไหนก็ตามจะมีที่พักนะเป็นที่ส่วนกลางซึ่งไม่ต้องไปซุกมุมนู้นมุมนี้นะคะสะดวกมากขึ้นเผยแร่งองความรู้เพื่อสร้างทายาทเครือแห่สมาชิกขาชาวสุขสี่ปีนี้นะคะเราจะสร้างเครือแห่ของเราด้วยการ มันจะเริ่มมีหลักสูตรสามอาชีพกู้ชาติแต่มันยังไม่สําเร็จสี่ปีนี้นะคะตอนนี้เราเริ่มแล้วนะคะเราเริ่มพูดถึงสามอาชีพกู้ชาติในนักเรียนสมาร์ทซีขามากขึ้นแล้วก็ลงมือปฏิบัติได้จริงนะคะตอนนี้ต่อไปนะคะชาวอโศกจะมีการเชื่อมประสานสัมพันธ์กับหมู่บ้านใกล้เคียงในระดับตําบลบุ่งไหมขยายไปถึงอําเภอแล้วก็จังหวัดซึ่งตอนนี้เราก็ทํางานร่วมกับาบางหน่วยงานของอําเภอแล้วก็จังหวัดอยู่นะคะ แต่มันยังไม่มากเท่าไหร่นะคะสปีนะคะจะมีสาธารณพิที่สมบูรณ์นั่นก็คือสวัสดิการชุมชนเนี่ยมีสมบูรณ์ก็คือมีเพียงพอนะคะตามความจําเป็นพื้นฐาน เ, เมื่อ4ปีนะคะเราจะเมื่อเราจบบอนอ่าบอแล้วเนี่ยเราเข้มแข็งเราเข้มแข็งแล้วนะมีศักยกภาพแล้วทุกอย่างเนี่ยเราก็จะจัดอบรมเผยแพร่พัฒนาคุณธรรมให้กับประชาชน ที่สนใจในเขตจังหวัดอุลราธานีนะคะเราจะเปิดเปิดตั้งรับนะคะแต่เรายังไม่ไปลุกยังไม่ลุกนะคะสปีนี้ต่อไป1ิปีค่ะสิปีเราก็คิดว่าเรามีเวลาที่จะพัฒนาภายในเราอีก6ปีเนี่ยเลหนึ่งนาทีแล้วคะเอาไวๆเลยนะคะเราฝันว่าจะมีโรงพยาบาลบุญนิยมคร บ, บวงจรดูแลชาวบ้านตะบนบุ่งใหม่ได้ด้วยนะคะอ่าไม่ใช่เฉพาะค น, นโศกมีคอมเพ็กอาหารเพื่อสุขภาพนะคะ เข้ามาในคอมเพล็กซ์นี้จะอยากจะกินอาหารตามกุ๊ปเลือดอยากจะกินอาหารเมคโครเป็นโรคลมสูตรไทยลั่นนะะร้อนเป็นมะเร็งสูตรหมอเขียวอย่างนี้เป็นต้นนะคะมีพาณิชย์บุญนิยมพัฒนาการบริหารจัดการไปสู่ระบบสากล น, นะคะจะอยากให้เกิดคิดว่าจะเกิดระบบบุญนิยมที่แพร่หลายในสังคมมากขึ้น10ปีนะคะจะมีหลักสูตรสามอาชีพกู้ชาติที่เป็นจริง ช่วยแก้ปัญหาสังคมได้จริงนะคะมีชุมชนชาวโศกที่เข้มแข็งกระจายทุกจังหวัดนะคะเพื่อเราจะได้ช่วยเหลือมวลมนุษยชาติได้ครอบคลุมมากที่สุดน ะ, ะตามปณิธานของพ่อครูนะคะจะมีศูนย์ผลิตพลังงานทดแทนที่ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปวิสัยทัศน์เปิดเลยคะ่ะอ่านเอาเองอ่านเอาเองเลยคะ่ะ หมดเวลาแล้วอ่ะพี่น้องอ่านเองเลยนะคะอ่านดังๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ครับกลุ่มที่2มาเลยครับเพื่อมให้เสียเวลาค่ะกราบขอโอกาสค่ะนักศึกษาทุกท่านนะค ะ, อะพอดีเป็นกลุ่มที่3นะคะ อ, ะอโศก4ปีข้างหน้านะค ะ, ะข้อหนึ่งชาวอาโศกพัฒนาตนได้โล ก, กุตระ7จเปอร์เซ็นทราบไหมคะ77เปอร์เซ็นมาจากไหนนะคะเจ็ดสิบค่ะ7จ็ดปีเนี่ยก็เจ็ด ปางเจ็ดของพ่อครูบอกว่ า, า ต, ต้องมีทศนิยมด้วยเราก็เลยเอา77ไปต่อเนื่องไปนะคะเพราะว่ามันมีต่อเนื่องไปจนถึงร0 0เได้นะคะค่ะข้อ2 อ, อาชาวอโกมีสุขภาพดี 77% เหมือนกันนะคะข้อ3ชาวอโกเป็นอาริยะบุคคลได้ถึง 77% ค่ะข้อ4นํนำการศึกษาโล ก, กุตระสู่สังคม ข้อ 5. านำการเมืองบุญนิยมสู่สังคมข้อ 6. ดดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะใน4ปีข้างหน้านะคะ10ปีเพื่อมวลมนุษยชาติค่ะ 1. คนมีคุณธรรมผู้นำมีศีลห 2. สุขภาพดีทั่วหน้า 3. การศึกษาบุญนิยม 4. สังคมการเมืองอริยะ 5. ขยะเป็นศูนย์ 6. เกื้อกูลด้วยเศรษฐกิจพอเพียง7พร้อมเพียงด้วยสื่อ เรื่องลือด้วยสยามเมืองยิ้มเหมือนเดิมค่ะเท่านี้ค่ะยังไงก็เมื่อถึงสิบปีข้างหน้านะคะขอรอยยิ้มของสยามเมืองยิ้มกลับมาสู่คนไทยค่ะ ต่อไปครับต้องการผู้ช่วยถือไหมคะคุณยาดีมากสบายมากอคนก็ได้นะยาครับกลุ่มนี้ก็กลุ่มการศึกษานะครับ เป้าหมายสี่ปีคือจบการศึกษา 70% เซนะของผู้ที่สมัครที่นิ่งแล้วหลังจากหกเดือนตอนนี้กำลังเตรียมตัวเคลียร์ตัวเองอยู่ข้อที่สองก็มีหลักสูตรการสอนที่เป็นระบบมีระบบเบื้องต้นคือการสอนง่ายงามเบื้องต้นง่ายงามทำกลางและก็หามบันปลายซือต่อสัง คือสามารถสื่อสารต่อสังคมได้อย่างชัดเจนเป็นรู ป, ปรธรรมแล้วก็สามมีผู้รับผิดชอบอย่างเป็นระบบก็<ม>อย่างที่เห็นได้ชัดในการที่เราสัมมานารื่นสีอะไรนี่จะเห็นผู้รับผิดชอบอย่างเป็นระบบว่าสามารถตรวจสอบได้โปร่งใสเกิดเอกีภาวะขสเกิดเอกีภาวะในเครือแห เจเครือแห่เพราะพวกเราที่เข้ามาเรียนนี่นะเหมือนกับตัวแทนของเครือแหแต่ละแต่ละส่วนแต่ละส่วนต่อไปนี่พอจบการศึกษาเราก็สามารถเอาประสบะการณ์ชีวิตไปช่วยเครือแห่ที่เราที่เรามาแล้วการเผยแพร่ไปสู่เครือแห อ, อีกครั้งหนึ่งปห้าวางแผนวางหลักสูตรสู่ปโทปอเอก คือสี่ปีนี่นะเราก็จบปัญญาตรีแล้วก็อีกหกปีเนี่ย จ, จะปัญญาโทปัญญาโทปัญญาเอกก็เทียบได้ว่าคือสี่ปีแรกนี่นะเราอาจจะเป็นบัณฑิตโสดาบันอันนี้เหมือนปริญญาตรีแต่พออีกสี่ปีหลังนี่นะเราอาจจะสกิทธา อนาคาเป็นยาโทรเรียบเหมือนกับสกิทานาคาใช้เวลาสปีแต่ปัญญาเอกเนี่จะใช้เวลาสองปีครับเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเป็นยาโทนี่มันจะต้องต้องทำกันเยอะแต่ปัญญาเอกนี่เป็นเรื่องของคำรรสอนเรื่องการพูดแล้วก็ต่อไปคือเป้าสู่สังคมสู่สังคมพ้นภัยพิบัต เพราะปีหน้านี่เขาเปิดประเทศไทยเปิดอาเซียนอะไรนั่นคือเปิดโลกเสรีของการค้าช่วงนั้นทุนนิยมไร้พรมแดนเพราะว่าเขาจะไปมาหาสู่ได้อย่างอิสระทีนี้เป้าหมายสู่สังคมพ้นภัยพิบัติด้วยระบบบุนนิยมคือภัยพิบัตินี่ ในระบบทุนนิยมนี่นะคือจะนำพาไปพิบัติแต่พวกเราจะสกัดได้ด้วยระบบบุญนิยมคือพวกเรานี่นะเหมือนกับชาวบ้านบางระจันสมัยเสียยุธยาหมู่บ้านเล็กๆที่สามารถยืนหยัดยืนยันต่อต้านพามา่าแต่ว่าได้ระยะสั้นๆเพราะว่ากําลังอาวุธสู้เขาไม่ได้กําลังคนสู้เขาไม่ได้ครับแต่พวกเรานี่นะไม่ใช่หมู่บ้านบางระจัน เป็นหมู่บ้านชาวพรหมจรรย์ที่จะต้านพวกทุนนิยมได้เพราะบุนนิยมนี่คือพรหมจรรย์นะครับเราไม่ต้องใช้อาวุธแต่เราใช้กำแพงและสภาพติดอาวุธทางปัญญาเพราะว่าทุนนิยมสิ่งที่เขาชอบกับสิ่งที่เราชอบนี่มันตรงกันข้ามคือระบบของเราเนี่ยเป็นระบบของจริงทั้งนามธรรมาและรูปธรรมแต่ระบบทุนนิยมเขามีแต่ชื่อ แต่รูปธรรมของเขาเนี่ยเป็นของหลอกเขาเขาได้แต่ได้แต่ชื่อไปแต่ว่าไม่ได้รูปไปครับแล้วสรุปตัวสุดท้ายอันนี้ผมก็คิดขึ้นมานะฮะคือเพื่อพิสูจน์คําพูดพ่อครูว่าการศึกษาถ้าไม่ลดกิเลสกู้ประเทศไม่ได้นี่เราจะได้พิสูจน์ว่าการศึกษาที่เราเรียนอยู่เนี่ยวนอ บ, อบเนี่ยนะ ว่าจะกู้ประเทศได้หรือไม่อยู่ที่ว่าเราจะลดกิเลสได้หรือไม่แต่ข้างล่างนี่นะผมก็คิดต่ อ, อยังอีกหนึ่งนาทีใช่ไหมครับโอ้โอเดี๋ยวผมจะพูดให้จบยังคำสุดท้ายแล้วคำพูดคาพูดลูกครูนะครับคำพูดของผมคือกู้ประเทศไม่ได้แต่กู้ได้แต่นี่เท่านั้นครับครับสาธุนะครับคุณ กลุ่มฐานกสิกรรมครับกลุ่ม4กลุ่ม4ี่ของเราก็ก็มองกันไปที่ว่าสังคมเขาขาดอะไรนะครับคือคือขาดคุณธรรมแล้วเ ร, เราจะนําเสนออะไรเราจะนําเสนอบุญนิยมคือทั้งการเมืองทั้งเศรษฐกิจทั้งการพาณิชย์นะครับสู่บุญนิยมเราเราก็ให้วิสัยทัศน์สันส้นว่าการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม นำบุญยมสู่มนุษยชาตินะครับข้อแรกข้อที่สองก็คือนําเสนอการศึกษาของมหาวิชาลัยสู่สังคมมีแค่นี้ครับมหาวิชาลัยนาวาบุญยมสู่สังคมมหาวิชารามโทษครับเดี๋ยวแกมหาวิชารามนาวาบุญยมสู่สังคมครั บ, รบเดี๋ยวเราเราไปแก้เดี๋ยวมาติดให้ไหมครับขอบคุณครับ พอแล้วครับยัไม่ได้จับเวลาเลยรวมหมดแล้ว โอกาสนะครับจเจริญธรรม ท, ทุกท่านนะครับตกลงกันเมื่อกี้เลยครับให้ผมนะจะเสร็จแล้วครับจะเสร็จแล้ว <Okay. S 1> รอยนิดนึงครับลอยนิดนึง <Okay. S 1> ครับผมครับกลุ่มห้านะครับเป้าหมายของกลุ่มห้ า, เ ป, าเป้าหมายตัวนี้ก็คือเป้าหมายของชาวโศกนะครับทั้งหมดแต่นี้เรา วงให้เล็กลงมาก็คือเฉพาะวอร์บอร์ก่อนนะครับก็คือเป้าหมายหลักก็คือภายในสี่ปีเนี่ยเราจะต้องเข้าถึงบรรลุถึงโสดาปฏิผลด้วยคุณยวุฒิทั้งเจหมายเลขไปพร้อมๆกันนะครับก็คือมีพาณิชบุญนิยมการศึกษาบุญนิยมการเมืองบุญนิยมกสิกรรมไร้สารพิษ อาหารมังสวิรัตตลาดอริยะสื่อสารบุญนิยมนะครับหรือที่พ่อครูเรียกว่าพุทธบุรณาการศาสตร์นะครับก็คือใช้ในส่วนนี้เป็นตัวขับเคลื่อนและพัฒนาจิตวิญญาณในการเรียนรู้ทั้งสาวิชาที่พ่อครูได้สอนเรานะครับเพื่อให้บรรลุโสดาปฏิผลภายใน4ปีแล้วเป้าใน10ปีเนี่ยเราก็จะใช้คุณวุฒิทั้งหมดเนี่ย บุญญา武นะครับทั้งเจ็ดหมายเลขนี้ไปพัฒนาต่อเพื่อทำให้เกิดเป้าหมายที่กว้างขึ้นนะครับก็คือในสิบปีจะพานำพาคนไทยพ้นอบายามุกนั่นคือเป้าเราในสิบปีนะครับส่วนวิธีในการที่จะทำเนี่ยมันเยอะครับ<笑>แต่ปัญหาคือปัญหาหลักที่เราตกผลึกกันก็คือเรื่องแรงงานใช่ไหมครับ เราขาดแรงงานเราก็ได้มีการตั้งตุกตาว่าถ้าเราจะทำแรงงานยังไงให้เกิดตรงเป้านะครับก็คือว่าเราจะใช้ย้อนกลับไปในสมัยก่อนที่เราจะไม่ใช้เงินเราจะทำยังไงไม่ใช้เงินเราก็ใช้การแลกแลกของแลกสินค้าอันนี้ก็มีเพื่อนในกลุ่มว่าอ้าวแล้ว เราจะแลกได้ยังไงแล้วเขาจะมาแลกได้ยังไงการที่เขาต้องการแลกหรือว่าการขยายตัวเราใหญ่ขึ้นแรงงานปกติก็ไม่พออยู่แล้วแล้วใหญ่ขึ้นแรงงานมันก็ต้องใช้มากขึ้นแล้วเราจะแรงงานจากไหนก็เลยคิดกันว่าออกแบบมาว่าเออถ้าเป็นลักษณะ น, นั้นเราก็ใช้ระบบแลกก็คือเราให้ความรู้ใช่ไหมครับให้ความรู้รู้ว่าปุยยกตัวอย่างปุยอินซีนะครับปุยอินซีมีประโยชน์ยังไง แต่เขาไม่มีทุนเราก็ใช้ตัวเขาเข้ามาเรียนรู้เรียนรู้เสร็จเขาก็ได้ปุ๋ยตัวนี้ออกไปนะครับง่ายๆพอเขาได้ข้อมูลใช่ไหมครับเขาก็ไปสัพพัตต่อจากปุ๋ยก็กลายเป็นข้าวเป็นพืชพันธัญญาหารที่ไม่มีพิษเราก็จะได้เหมือนคล้ายๆ เ, เราจะมีระดับชาวชุมชนคนข้างวัด ตอนนี้เราก็เหมือนได้คนข้างวัดนะครับแต่เป็นในลักษณะของประชากรชาวกรสิกรรมหรือชาวนาทั้งหมดนะครับโดยที่อาจจะยังไม่รู้ระบบทั้งหมดของอโศกแต่ได้รู้ถึงว่าประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยไร้สารพิษแล้วก็ในข้อธรรมะที่เราได้ให้เขาระหว่างที่เขาเข้ามาอบรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแพทย์เพื่อจะพึ่งพาตนเองรักษาตัวเองนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนจนเราได้เครือแห är, ในลักษณะที่เป็นการแลกสินค้าโดยที่ไม่ใช้เงินเลยนะครับให้กว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วเราก็จะได้เคือแหาตรงนี้ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นชาวโศกอาจจะกระจายตัวขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนทั้งประเทศนะครับเราก็จะได้แรงงานเพิ่มทั้งที่ได้ในเรื่องของสินห้าแล้วก็อาหารมังสวิรัตแล้วก็มีข้อธรรมะและอาจจะเป็นนวบ ไป้วอนอบอขอไปครับแม่เน้นไปหน่อยวอนอบอในรุ่นต่อๆไปก็ได้ครับขอบคุณครับ อันนี้หลายหลายก็หลายกลุ่มก็เริ่มคิดเรื่องเป้าแล้วก็แปลเป็นวิสัยทัศน์นะครับก็ผมเอาออคนเพราะไม่อยากพูดสโลกแกน ส, สวยๆเหมือนหน่วยราชการหน่วยงานเยอะแยะที่ทำสโลกแกน ส, สวยๆแต่ว่าไม่ได้มีเป้าหมายชัดอะไรก็เลยคิดว่าให้พูดเป็นเป้าหมายดีกว่านะครับก็ขอฟังกลุ่มสุดท้ายในกลุ่มที่5านี่มังสวิรัต์เอ่อ จ ะ, จะสังเกตว่าทุกคนพูดเชิงเป้าหมายที่ชัดว่าถ้าผมลองสรุปดูนะครับว่าใจกลางของทุกคนเนี่ยเข็มมุ่งของทุกคนเนี่ยคืออยากจะมุ่งไปสู่ระบบบุญนิยมซึ่งหมายถึงระบบที่กับตัวเองก็คือมุ่งที่จะให้ตัวเองเนี่ยบรรลุโล ก, กุตละนะครับคือเป็นผู้ที่แล้วก็ที่สองเป็นการพิสูจน์ตนเองนะครับคือเป็นอย า, นายชนนี่นี่ง่ายกับตัวเองนะครับแล้วก็ พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าตัวเองนี่เป็นคนที่บรรลุถึงขั้นที่จะไปถึงโลกุตละคือล้วก็ด้วยการพิสูจน์คาพูดพ่อท่านที่ว่าพิสูจน์คำพูดว่าบัณฑิตบอลบอเนีน่ยภายใ น, น, น, น4ปีนี่น่าจะเป็นผู้สละกิเลสได้จริงๆแล้วก็สามารถช่วยเหลือสังคมได้จริงเปลนจากคำากู้ชาติเป็นสังคมนะครับอันนี้ในแง่ของตัวเองที่พวกเราเป็นชาวบอบอกัน อีกอันก็คือออกจะออกไปเกื้อกูลสังคมสู่สังคมใหญ่นะครับสังคมโลกโลกระดับที่พูดชัดก็คือว่าน่าจะเป็นระดับประเทศไทยหรืออาจจะ ก, กว้างกว่านั้นแต่ว่าก็พูดคําใหญ่ไว้นะครับว่าสู่สังคมและมวลมนุษยชาติที่ทุกคนใช้คําพูดอันนี้เ ป, นเป็นเป้าหมายกับตัวเองนะครับที่จะค่อยๆขยับจากสี่ปีเป็นกว้างขึ้นกว้างขึ้นลึกขึ้นหรือสูงขึ้นก็คือการมุ่งไปสู่โล ก, กุตละ ที่ทุกคนอยากไปให้ได้นะครับรูก ป, ประคำก็คือการพิสูจน์ตัวเองให้กับสังคมภายนอกในสิปีเห็นว่าเราน่าจะเป็นผู้ที่ขัดเกลากิเลสได้เพราะว่าถ้าเราจะประจักษ์ถึงความประปัจจัตังคือเราละกิเลสได้ก็อันนี้ก็จะสอดคลองว่าเราเป็นผู้พิสูจน์เป็นต่อชาวโลกให้ได้เราก็จะเกลือกกลูนให้ได้ด้วยนี่ประเด็นที่หนึ่งนะครับที่เป็นประเด็นด้านนมามธรรมขั้นสูง แต่ถ้าเป็นลูกประธรรมก็คือว่าชาวโศกอยากเห็นตนเองมีสุขภาพในสปีข้างหน้าที่ถึงขั้นมีโรงพยาบาลบุญนิยมแล้วก็จะทำขยายให้กับทุนนะองค์กรเขียนผิดนะครับโรงพยาบาลต้องอยู่ตรงนี้นะครับก็คิดว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะเป็นตัวขยับให้ให้ทุกคนโรงพยาบาลบุญนิยมเนี่ยโรงพยาบาลบุญนิยมนี้ก็จะต่างกับโรงพยาบาลภายนอกแล้วเขาก็ตั้งเป้าว่าระบบบุญนิยมนี่จะแผ่ ด้านที่สองออกออกไปจากโรงพยาบาลของกระุมชุมชนชาวโศกก็คือว่าการไปสู่การให้ประชาชนข้างนอกเนี่ยมีความสุขภาพทวนหน้าคนละแบบกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่ใช้คำเดียวกันคือคาว่าทวนหน้าแต่ผมเห็นว่าน่าจะหาคำอื่นที่เดี๋ยวจะคิดว่าทวนหน้าไปเราไปเรียนแบบ ก, บกระทรวงสาธารณสุขประเด็นที่สมก็คือว่าทิศทางของระบบบุญนิยมเนี่ยจะสแสดงออกนอกจากด้านนามธรรมแล้ว คือความเป็นเครือข่ายของก้าอศทั้งเครือแหแล้วก็การใช้เครือแหนีเ้เพื่อเป็นตัวไปสู่ทิศทางในสิปีข้างหน้าก็คือว่าหวังว่าจะเกิดเครือข่ายการเมืองอายะหรือสังคมอริยะขึ้นมาใน77จังหวัดให้ได้นะครับคือเต็มประเทศไทยอันนี้ก็เป็นความมุ่งหวังที่พวกเราสทอกมาจากคำพูดเป็นรูปธรรมของเหมือนกายกระจนะครับที่สําคัญก็คือว่าถ้ากายเรามีสตังมีสาระโภกี อชาวโศกก็ต้องมีสานะปกขีที่เป็นการพิสูจน์ว่าทําอย่างไรจะให้อโศกเองมีสาระปรกขีที่ที่สมบูรณ์นี่ไม่ไม่ได้ขยายความนะครับสมบูรณ์นี้ว่าอย่างไรแล้วก็มีระบบที่พาณิชนิยมพาณิชย์บุนนิยมเนี่ยไปแทนที่มากขึ้นมากขึ้นในสังคมใหญ่มากกว่าทุนนิยมที่เราใช้คําว่าสามานมากขึ้นก็ผมจับได้ประเด็นนี้มีประเด็ดนอะไรที่สําคัญที่ตกลงจากกลุ่มอื่นไหมครับอันนี้ ภาษาเป้าหมายร่วมหรือวิสัยทัศน์คือเราจะมุ่งสู่การพิสูจน์เรื่องระบบบุญนิยมของเรานะครับแต่ว่าอันนี้เป็นด้านนามธรรมที่ผ่านตัวพวกเราเองครับเชิญครับอันนั้น อ, อ, อันนั้นเป็นเรื่องเรื่อง อ, อ, อยู่ในอยู่ตรงนี้ครับพังงานจะอยู่ คือพลังงานมาใช้เสริมมาเผาฟืนมาหุงข้าวนึกออกไหมครับก็พลังงานก็เป็นส่วนอว่าอยู่มันเป็นเรื่องย่อยครับ ค, ค, คือเรื่องทิศทางมันจะพูดถ้าผมเอาทุกอย่างวันนี้หมดมันก็จะพลังงานก็เคยเป็นส่วนหนึ่งมันมีเยอะเลยมีลงสีเยอะพอใส่พลังงานต้องใส่ลงสีใส่ลงปุ๋ยเข้าไปแต่ว่าอันนี้เป็นวิธีการบอกว่าเราจะไปโดยรถไฟไปโดยยนต์ไปโดยมอเตอร์ไซค์แต่ว่าอันนี้คือเป้าปลายทาง เราอยากให้มีสารสนเคีที่สมบูรณ์ในอโศกใน4ปีแล้วก็ขยายออกไปเป็นพาณิชย์บุญนิยมอันนี้แม้ความว่าเราอยากเห็นระบบขนองเนี่ยเริ่มสัมพันธ์กับเราในเรื่องเชิงพาณิชย์แต่เป็นพาณิชย์แบบอะไรครับบุญนิยมมากขึ้นอย่างเช่นเราเป็นโรงสีเมื่อกี้เราก็อยากขายข้าวเขาแบบบุญนิยมใช่ไหมครับนั้นอันนี้ก็เป็นทิศทางที่เราจะไปกันก็คือพูดทั้งนามธรรมาและรูปธรรมากายกระจายนะครับใจคือพวกเราต้องแสดงออกด้วยตัวตนของเราแทน พอท่านโพธิลักษ์แล้วก็สมณะทั้งหมดด้วยการปฏิบัติตัวเองที่เราอยากไปหแล้วก็อันที่เหลือก็คือชุมชนของเราที่แตกเลือกออกไปเท่าที่ผมฟังได้มี3มเรื่องใ ห, ใหญ่ๆแต่เรื่องเล็กนี่อย่างพลังงานก็คงอยู่ในนี้นะครับเพราะทําพลังงานเพื่อให้ได้มาซึ่งสาระโปรคีใช่ไหมครับมีประเด็นอื่นที่สําคัญอีกไหมครับหลักสูตรก็จะอยู่ในนี้ครับหลักสูตรเป็นวิธีการถ่ายทอดสิ่งทอด มเมื่อเราจะเป็นตัวอันนี้ก็จะมีการสืบทอดก็อยู่ในนี้นะครับเราก็จะพิสูจน์ว่าไอ้ระบบวัดบอลของเราเนี่ยมันจะมีการสืบทอดได้ด้วยอันนี้ก็มีการสืบทอดไปหลักเป็นการการสืบทอดก็คือมีโรงเรียนมีหลักสูตรสืบทอดให้คนรุ่นใหม่ได้ด้วยแต่ว่าอย่าไปเขียนเรื่องหลักสูตรแล้วคับเป็นเรื่อง ลึกย่อยนะครับเพราะว่าการสืบทอดนี่ก็ค่อยๆเราหวังว่าจะสืบทอดไปทั้งในอสุกและนอกอกก็เท่าที่คาดหวังกันมีประเด็นอะไรไหมครับลึกที่ผมตกเรื่องการสืบทอดหรือเรื่องการศึกษานั่นเองแต่การศึกษา น, นเป็นเรื่องเราใช้คําการศึกษาบางทีมันติดแบบโรงเรียนผมพยายามหนีคําเก่าๆในท่วหน้าการศึกษาผมเมื่อปีสองหกมใช้ว่าศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชน ก็คือที่อาโศรทมอยู่ในนี้คือเรานีจากโรงเรียนครับอะไรนะครับสมือภาพได้ครับคืออันนี้ก็คือเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ต่อมาเพาว่าเราอยากเห็นเพื่อนของเราที่อยู่นอกนอกอโศกเนี่ยเป็นสุขภาพทุนหน้าเป็นสุขภาพสมือภาคใช่ัหมครับอย่าไปใช้คําของกระทรวงสาธารณสุขครับไอสุขภาวะ เดี và, like ๋ยวมันเราคิดว่าเราไปเรียนแบบเขาเราแนะนำเขาหรือย้อนเรียกว่านำดีกว่าเพราะยุคเทคโนโลยีเนี่ยทุกคนหาความสุขไม่เจอทั่วถึงทั่วถ <co> ึงก็ไม hey, <co> ่ร <co> ู <co> ้สุขภาพเราอยากใช้คำว่าอะไรคำว่าอะไรดมสมบูรณ์นอครับดมสมบูรณ์ทั่วหน้าได้ เอาเอาไปก่อนนะครับสมาชิกเสนอแต่คําว่าทวนหน้านี่มันเป็นคำของกระทรวงสาธารณสุ ข, ข, ข, ขเดี๋ยวมันจะเป็นแบบเดียวกันก็ไม่เป็นไรครับพวกเราเข้าใจเอาว่าวัาวนนี้มีอะไรตกล่นไหมครับเดี๋ยวประเด็นสำคัญคือเราจะฝึกทําทางเลือกทางยุทธศาสตร์จะ ต, ต้องแบ่งกลุ่มเข้าเข้ากลุ่ม5้าฐานอีกครับลืมเรื่องสวัสดิ์หรือยังครับน้องสายคอมพิวเตอร์น้องเจไปไหนเอ่ยเออ เอาเอาเอาสวอตที่อยู่้นไม่ใช่เมื่อคืนนะครับที่มีโอเลยต่นี้ อ, อันนี้จะยากขึ้นอีกหน่อยฝึกการตอนนี้ที่ผ่านมาเราฝึกการวิเคราะห์ใช่ไหมครับคราวนี้ฝึกการสังเคราะห์ก็คือหลักก็คือเอาปัจจัยภายนอกมาบวกกับมามาสัมพันธ์กับปัจจัยภายในเอานอกกับในเอาเขากับเรา เขากับเราพอมารวมตังก็เป็นครอบครัวคิดง่ายๆใช่ไหมครับเป็นพ่อกับแม่มารวมเป็นครอบครัวมันก็เกิดพลังขึ้นมาชนิดหนึ่งเป็นทางเรียกเฉะนั้นเอาเขากับเรามารวมกันปัจจัยที่เราแยกไว้สามข้อนะครับอาจารย์ทีนะครับสวัสดีที่มีโอ s ซีนี่หมดแล้วนะครับย้อนทีอันนี้ก็นะครับเราจะหยิบปัจจัยอะไรก็ได้นะครับ ทั้งโอทัตีนี่เอาเขาก่อนนะครับเราะนั้นถ้าเราจะทําจําเดี๋ยวค่อยโทรอีกทีนะครับตอนนี้เป็นตอนนี้มีเอกสารแจกไปยังเอ่ยทุกคนแต่ทุกคนจดไว้นะครับเพราะฉะนั้นห้ามคิดนอกออกนอ ก, นอกสิ่งที่แต่ว่าเราเราเราเรามีภัยคุกคามรุวมกันอยู่สามตัว น, นี้ปจัจจัยภายนอกใช่ไหมครับเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นห้ามไปหยิบเขาคนอื่นตอนนี้เราต้องเลือกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจ่ายโจทย์แต่ละกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งกลุ่มห้ามไม่เหมือนกันภัยคุกคามที่ ต่อชาวอสกนี่ก็คือเรื่องที่สําคัญคือเรื่องทุนนิยมสามานี้ใช่ไหมครับเรื่องอันดับสูงคะแนนสูงมากแล้วแล้อันนี้สองถ้าใครได้โจทย์ตั้งรับเดี๋ยวให้ดูโจทย์นะครับมีเรื่องแัยคุกคามเรื่องสุขภาพต่อประชาชนของเราแล้วก็ชาวอสกเองแล้วก็การเมืองที่เป็นที่อยู่ภายใต้ระบบทุนนิยมและที่สําคัญที่สุดคือระบบทุนนิยมที่กําลังครอบงำทั้งทั้งทั้งหมดและครอบงำการเมืองของเราอันนี้เป็นปเป็นปัจจัยที่เรา สรุปออกมาที่สําคัญสุดเอาแค่สาเองเพให้ลองคิดว่าไอ้สมเรื่องเนี่ยถ้าใครถ้าใครใช้โจทย์ที่ต้องคิดถึงเรื่องปัจจัยเรื่องภัยคุกคามก็ต้องให้ดู3ามตัวนี่เราจะหยิบตัวนี้ตัวนี้มาคิดแล้วก็จะแก้มันจะสู้มันถ้าใครอยากจะสู้ตัวที่มีโจทย์ให้สู้ผมจะถามว่าตั้งรับกับทุนนิยมโลกยังไงชาวโซก็คือต้องเอาตัวตัวเหล่านี้มาเลือกนะครับแล้วก็จะสู้ด้วยอะไรเดี๋ยวค่อยพูดกันแนละ้วด้วยตัวตนก็คือจุดแข็งของเรามีอะไรไหมถ้ามีแข็งจะตั้งรับยังไง โอกาสเราก็มี3ตัวนะครับย้อนอีกทีโอกาสในการนี่พูดไปเยอะแล้วโดยเฉพาะเป็นเรื่องบุญนิยมทั้งหมดเลยเรื่องสุขภาพก็อยู่ในนี้ก็ให้เอาปัจจัยอ1นึ่งอสองอ า, 1, อ า, 2, อา 3, จะหยิบอสองอา3เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันหรือสัมพันธ์กันก็แล้วแต่นะครับไม่จําเป็นต้องเลือกอันใดหนึ่งเฉพาะอันเดียวถ้าอาจจะได้2อสาหรือเอาทั้ง3เลยต้องเชื่อมโยงให้ได้แล้วอ้างให้ได้ว่าคิดถึงเรื่องนี้นะครับมาเชื่อมโย ง, น ง, งในการกําหนดยุทธศาสตร์ของที่จะเดินใช่ไหมครับ ถ้าเรื่องโอกาสก็จะเป็นเชื่องเรื่องลุกจะลุกตัวไหนมิกี้ที่พูดฟังทุกคนจะใช้ตัวนี้ลุกบทแล้วก็ใช้สุขภาพลุกเป็นตัวลุกเพรา ะ, ะต้องเอาจุดแข็งไปลุกจุดแข็งเดียวไปดูกัน ด, ดูเราครับลุงเจมส์ครับเราก็อันนี้ทวนนะครับสามอันทวนอีกทีหนึ่งก่อนจะแบ่งกลุ่มเดี๋ยวจะแจกโจทย์นะครับทุกคนโจทย์ก็คือไม่ใช่เราครับเราเราเราเราเขาแล้วเร า, า, เราอันนี้ตัวตัวตัว S K W ครับ อ่านี่ตัวตว น, นของชาวโศกชาวโศกก็มีจุดแข็งอยู่อันนี้คงเหมือนกันแต่จุดอ่อนเนี่ยเดี๋ยวแต่ละกลุ่มอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับนี่ที่ผมสรุปมามีสามเรื่องอกลุ่มแต่ละฐานมีมีจุดอ่อนเยอะเลยอย่างไปลงสีเราก็มิกี้ก็เห็นจุดที่อาจจะต้องปรับปรุงร่วมกันทั้งหลายจุดเมื่อเช้าเราคุยกันถึงตั้งแต่ตีห้าถึงมิกีเนี่ยก็เราพบเรื่องนี้พอสมควรแล้วก็ไปถึงขั้นเสนอทางออก ทางเลือกจากระบบที่เราคิดว่ามันเป็นการบริหารที่ยังขาดเชิงระบบก็คิดว่าระบบควรจะเป็นอย่างไรมีคณะทํารรงานมีคณะกรรมก า, มา ร, ราเข้ามาก็ออกแบบกันไปประเด็นคือว่าเมื่อเราเอาจุดปัจจัยที่เป็นตัวตัวเรานะครับคือจุดแข็งมารุกหรือม า, อาทําเรื่องของการตั้งรับเนี่ยนะครับเพราะว่าเราตัวมีจุดแข็งเราจึงกล้าสู้กับยักษ์ใหญ่ได้ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าปัจจัยพวกนี้เราแข็งจริงแล้วเอามาใช้ในการวางยุทธศาสตร์อะไรบ้าง ยุทธศาสตร์เชิงตั้งรับหรือเชิงรุกไปบวกกับโอกาสหรือไปบวกกับภัยคุกคามเมื่อสัมพันธ์กันจะต้เป็นการตั้งรับหรือเป็นรุกนะครับอันนี้ก็จุดอ่อนเรื่องอการใช้ใจแล้วก็ผลกระทบก็คือทําให้ชาวโศกเองเนี่ยมีความอ่อนไหวต่อบุญนิยมนะครับแล้วมีการจัดการที่อาจจะต้องอย่างวิกี้เราไปดูโรงสีก็คือว่าต้องใช้ระบบ ที่อีกระบบหนึ่งเขามาช่วยก็คือช่วยระบบบูรณากรมของเราให้มีผลนะครับโดยการจัดการเชิงระบบมากขึ้นเรื่องการจัดการที่เราคุยกันว่าเอ๊จะใช้การจัดการแบบที่เราใครมีเท่าไหร่ก็ทํามีข้อจํากัดเรื่องกําลังคนแล้วหรือจะใช้การจัดการเชิงระบบแล้วทั้งสองอย่างนี้จะใช้หรือไม่ก็เป็นจุดอ่อนที่ที่ทุกคนค้นพบเหมือนลงสีนะครับอันนี้เรื่องอารมณ์นี่เรื่องระบบงานเรื่องการจัดการนะครับนี่เรื่องคนก็มี3มเรื่องครับเรื่องเรื่องใจ เรื่องระบบงานแล้วก็เรื่องคนซึ่งคนนี้มีประเด็นรูปของทุกฐานงานอาศกก็คือว่าเราขาดแคลนแล้วก็ขาดคนสืบทอดแล้วคนของเราเนี่ยก็ไม่เต็มร้อยเท่าที่สมณาพูดแล้วก็เป็นคนสูงวัยนะครับก็ทวนครนี้ลมลุกอีกทีหนึ่งยุทธศาสตร์ทวนอีกทีนะครับอ่าอันนี้ภาพนี้ ความจริง เ, เราให้แจกเอกสารไปชุดละสองสา 2, ชุดนะครับเพราะว่าใครที่ทั้งห้ากลุ่มจะได้โจทย์กลุ hard, ่มที่ง5เนื่องจากเป็นคนหนุ่มนะครับกลุ่มสื่อเนี่ยจะได้โจทย์ให้คิดทั้งเชิงเลิกทุกแต่ละกลุ่มจะได้โจทย์ไม่เหมือนกันนะครับใครลุกลุกนี่ก็คือเอาเรื่องบวกกบับบวกมาเท่นานั้นมาคิดก็คือว่าถ้าเขาเขาเขาเข า, เขา เ, ขาเขาเก่งเราเก่ ง, ก, ง green, ก็ลุกเลยนะครับก็คือว่าเขาเก่งเราเก่งลุกเลยนี่เขาเก่งเราเก่งลุกเลย ถ้าเขาไม่ดีเราเก่งเราก็ตั้งรับนะครับเอาเอาง่ายง่ายถ้าลือถ้าเขาเก่งเรามีจุดอ่อนก็ต้องลือกันอย่างเมื่อกี้เราไปดูการปรับปรุงหลวงศีนนะครับเราแสดงว่าหลวงศีมีจุดอ่อนเยอะก็มีโอกาสเพราะมีข้าวมาล่อเราต้องแสนตันเราจะทำยังไงมันก็ก็คือต้องลือกันลือลือบ้านเรานะครับเราก็เอาเขาเป็นตัวตั้งแล้วก็เอาเรา แต่ตัวที่ต้องปรับต้องเลยเห็นไหมครับชัดฮะเรื่องอย่างเงี้ยอที่สี่คือจะมีกลุ่มที่5ให้คิดโจทย์เลิกอะไรควรเลิกในถ้ามีนะครับเพราะว่ามันมจจีจุดอ่อนกับเรื่องภัยคุกคามทำไปก็จะเป็นภัยต่อความพยานะของของอโศกเองแล้วก็ของสังคมใหญ่ไปเพิ่มปัญหาให้สังคมใหญ่เพรา ะ, ะั้นเราจึงดูเรื่องลบกับลบแล้วก็ถ้ามีก็เลิกเถอะ เพมันลบทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอันนี้เป็นการฝึกทางเลือกไว้สุดท้ายคือกลุ่มที่หจะลองให้คิดเรื่องว่าอะไรควรนอกจากเลือกแล้วก็อะไรจะจะไม่ได้คิดเรื่องหมัดเมาแล้วมอมั ด, มดคือเชื่อว่าชาวโสมใช้วิชาหมัดเมา ม, มาตลอดนะครับก็คือปรับตัวเองตลอดจะปรับเร็วปรบชา้าแล้วแต่นะครับก็โศมกำลังต้องปรับตัวขนาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งถ้าจะมีภารกิจไปเกือ้อกูลโลกนะครับ น, นี้ทวนนะครับก็คือว่า ถ้าเป็นภาษาอังกฤษที่เรียกว่าสวอตที่พวกเราพูดกันว่านี่ก็คือว่าถ้าถ้าเอาเอาผมอธิบายไปแล้วถ้าเอาบวกกับบวกมาก็เป็นรุกถ้ า, าบวกกับลบมาก็เป็นรับเรารับเพราะเราแข็งแต่ว่าเขารุ่นแฮปปีเวสเราไม่มีทางรุกไม่มีทางเขาได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นทางนี้ก็คือว่าโอกาสมีข้าวแสนตันแต่เรามีจุดอ่อนที่ลงสีที่ต้องปรับระบบเข้ารองรับแสนตันทั้งกําลังคนทั้งการจัดการเราก็ต้องแก้จุดอ่อนของเราก็คือต้องลือ้อ เห็น ไ, ไหมครับมันมันคิดง่ายๆ เ, เดี๋ยวถ้าใครเขาไม่เข้าใจเรื่องสะห้าตัวนี้ครับแล้วถ้าตัวนี้ก็คือว่าเลิกเพราะว่ามีภยัยคุกคามน้ำจะท่วมเราจะขยายลานตากไปที่ ท, ท, ที่น้ำท่วม เราคิดเสถ่เพราะมันน้าท่วมทุกปีสมมติมันไปท่วมแล้จะเป็นลานตากได้ยังไงเพราะน้าจะท่วมเห็นไหมนี่ตัวอย่างว่าเมื่อกี้ไปดูลงสีมาจะถ้าเราคิดว่าเอ้ยน้ํามันต้องท่วมบ่อยแล้วดอกจุดอ่อนเราไม่มีลานตากเราจะทํำลานตากเอาเราก็คิดว่าจะทํางคำลานตากแก้จุดอ่อนเราแต่เราหาดูน้ําไม่ว่าน้ํามันมาทุกเรื่อย ๆ, ๆถ้าเราประเมินว่า ข, ข้อมูลสติน้ํามันทุกปีทุกปีน้ํามันมาเยอะมากเมื่อคืนตลอดทั้งคืนเลย ตอนนี้ก็น้ําท่วมแล้วใช่ไหมท่วที่ที่ทีท่เมื่อครั้งที่แรกผมมายังเห็นเป็นนาเห็นเป็นดินอยู่เลยวันนี้เป็นน้ําเชิงหมดเลยมันไอ้อย่างนี้ก็ต้องเลิกถ้ามีนะครับปัจจัยก็นี้สรุปว่านี่สี่ถ้าอันที่ห้าคือประสมกันชัดไหมครับไทยสงสัยครับเดี๋ยวจะให้โจ้แล้วครับแล้วแบ่งกลุ่มแล้วคาว่าลุกลับหรือเลิกนี่คือทางเลือกในการเป็นผู้ช่วยกันเคลื่อนไหวอโศกให้ไปข้างหน้า มันต้องใช้ทั้งลุกทั้งรับทั้งรื้แต่วันนี้ทุกคนจะได้โจทย์ไม่เหมือนกันในการใช้ข้อมูลที่เราแยกเราเราได้ข้อมูลจากพวกเรามาแล้วใช่ไหมเราแยกออกมาแล้วใช่ไหมครับเอสสามีสมีสปัจจัยคือจุดแข็งก็มีสามจุดแข็งจุดอ่อนก็มีมีเยอะเลยโอกาสก็มีสามมีสมประเด็นใช่ไหมครับภยัยคุกคามก็มีสามเพราะฉะนั้นทุกคนก็จดไปแล้วแล้วก็เอกสารก็แจกไปแล้วคราวนี้เราเราเอามาเชื่อมกันมา สังเคราะห์กันว่าเาเราจะลุกดีไม่ดีถ้าเรามีปัจจัยสองอันนี้ลุกเลยถ้าเราจะรับเพราะเรามีจุดแข็งชัดเจนไหมครับทดลองทํา้วยเชินครั บ, อ, บ อ, าาอ่าเดี๋ยวลองโจทย์ก่อนไม่ใช่เออก็คิดว่าเดี๋ยวให้ดูโจทย์เราจะต้องตอบโจทย์หข้อข้อที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งครับเออกลุ่มที่หนึ่งความจริงเอกสาร โจทย์นี้กลุ่มที่หนึ่งะฮะอ่าครับกลุ่มที่หนึ่งเออยการศึกษาใช่ไหมฮะกลุ่มการศึกษาเนี่ยจะรุกถ้าคิดว่าบุญนิยมการศึกษาบุญนิยมเนี่ยเป็นโอกาสใช่ไหมครับจะรุกโดยแล้ขยายจุดแข็งก็คือจุดแข็งของอระสก็เรื่อง วิถีบุญยมที่ทำมันกับตัวเองใช่ไหมกับชีวิตก็ต้องให้ดูว่าจุดแข็งอะไรจะใช้จุดแข็งอะไรตอกับเพื่อจะไปขยายกับใครและอย่างไรครับด้วยระบบการ3ึของบุญยมนี่คือโจทย์ข้อกลุ่มที่หนึ่งเ อ, อเอกสารคิดว่ามีซีล็อกจะแจกกลุ่มถึงถ้าไม่มีก็จดไปนะครับนี่กลุ่มที่หนึ่งคือให้คิดเรื่องยุทธศาสตร์ลุกว่าเออเราจะเอาเรื่องลุกคือเอามันเป็นโอกาสเราจะเอาจุดแข็งที่มีในจุด แข่งที่หนึ่งที่สองที่สามมาใช้กี่ตัวแล้วก็คิดเป็นยุทธศาสตร์ว่าจะลุกอย่างไรลุกกับใครไปหาใครนี่คือกลุ่มเป้าหมายนะครับเราจะไปหาใครที่ฟังมาในดีบอกว่าเรามีแต่คนสอวอที่อยู่ในชนบทจานวนหนึ่งแต่ถ้าในอนาคตเราก็ต้องไปหาเยาวชนมากขึ้นทั้งในและนอกอระสกหรือไม่ผมไม่รู้นะครับแล้วอย่างไรจะใช้หลักสูตรวบรบไปขยายอย่างไรนะครับก็ จากระบบที่ทํามาของในอโซเองก็ต้องขยายความนะครับชัดไหมครับกลุ่มหนึ่งครับเอาเอาตอนนี้ก็คือภายใ น, ในจากนี้เป็นต้นไปภายในกรอบสิบปีครับว่าเพราะเราตั้งเป้าไว้แล้วจะเดินไปสู่เป้าเองคืตอนนี้เราฝึกกันคิดว่าวิธีจะทำอย่างไรครับ ตอนนี้โจทย์คือว่าจะไม่อันนั้นเราดอกเป้าใช่ไหมครับเป้าเราได้เป้าถามว่าจะไปอย่างไรจะไปโดยโมอเตอร์ไซค์ไปรถไฟไปโดยมืนตอนนี้ต้องพยายามอธิบายว่าจะทําได้อย่างไร how how นะครับอย่างไรนะครับกับใครเพื่อให้เห็นว่าการศึกษามันต้องมีกลุ่มเป้าหมายชัดเพราะการศึกษาผู้ใหญ่กับเด็กไม่เหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็พยายามให้เห็นว่าจุดใหญ่ก็คือว่าอย่างไร แต่ว่าให้บอกกลุ่มเป้าหมายด้วยเพราะว่าการสามีหลายระดับเอาเด็กไปจับผู้ใหญ่ปนกันไม่ได้นะครับก็กลุ่มที่หนึ่งครับชัดไหมครับถ้าชัดก็จดไปก็ได้เพราะว่าเอกาสารซีหลอกมีให้กลุ่มเราน่าจะชุดมังครับหรือสองชุดกลุ่มที่สองครับอ่าคราวนี้กลุ่มที่สองนี่ต้องตั้งรับอยู่แล้วกลุ่มกลุ่มอหไเอ่ยกสิกรกรมเจอแน่ความเจริงใช่ไหมเพราะว่าปีน่าจะเจอไหมครับ เจอไหมตอนนี้ก็เจอแล้ว嘛เจอแล้วไหมครับเจอเคมเจอตั้งนานแล้วเจอเคมีก็เจอแล้ววันนี้เจอการไล่ล่าซื้อที่ขนาดใหญ่ไหมครับรถไฟลังคู่ว่าเผยอาจจะเฉียดราชเนียโศกก็ได้ใช่ไหมครับผมไม่รู้มันจะตั้งรับอย่างไรครับด้วยจุดแข็งที่เรามี3มข้อที่ว่าตั้งรับก็คือใช้บวกมาสู้กับลบกับภัยคุกคามที่ใหญ่มากเพราะมันไปลุกไม่ได้ละครับเพราะว่าทุนนิยมเขาใหญ่มาก ใช่ไหมครับเขาใช้เงินไล่ล่าเราพวกเราอยู่แล้ววันนี้เงินของเขาเนี่ยมีการไล่ล่าเป็นวินาทีแล้วนั่งคุยเนี่ยเขาก็ใช้ข้างเงินค่อยซึมเข้ามาในประเทศไทยด้วยเพราะเงินจากจีนนะครับมันเราจะใช้จุดแข็งเราเหมือนกับการตั้งรับน้ําที่เวลาน้ําหลากขาเราถ้าขาเราไม่ตั้งมั่นเนี่ยก็ลมไปเลยหรือว่าไปเดินทะเลมันไอการตั้งรับดี่จุดที่แข็งของชาวอาโศกจะทําอย่างไรมันให้บอกว่าจะทําอย่างไรนะครับต่อกะในสิบปีหน้าจะบรรลุเป้าเนี่ยภายใต้ เพราะการเดินไปสู่เป้าไม่ใช่เหมือนเราเดินในทะเลคลื่นกำลังจะม า, มาครับคลื่นตัวนี้ใช่ไหมก็าอาจจะลมได้ระหว่างเดินทางพอคลื่นมาสูงขึ้นเรื่อยๆก็ต้องตั้งรับอย่างไรชัดไหมครับไปลองคุยกันนะครับกลุ่มที่สามครับน้องเจมครับเ อ, อเอกสาร เ, เมื่อวานเราซีลล็อกไว้ไม่ไทราบฝ่ายเลขขาวไว้เนี่ยเอออ๋อครับ อันนี้จะได้จดย์จมีเอกสารกลุ่มสก็คือก็เป็นจะเป็นลายมืออันนี้เลยแป๊บกลุ่มที่สมนี่คือพวกพาณิชย์อย่างเมื่อกี้เราไปดูเนี่ยลงสีเป็นตัวอย่างก็คือว่าจะลือ้อหรือจะยกเครื่องยกเครื่องเพราะมีจุดอ่อนเยอะใช่ไหมครับแล้วภารกิจใหม่มันเยอะกว่าเก่าในอดีตเนี่ยข้าไม่กี่ตันแล้วก็ให้ดูแลกันเองแต่วันนี้เพราท่านบอกเอาแสนตันเป็นตัวจุดเริ่มแรก แล้วก็ต้องยกเครื่องแล้วก็เราเดี๋ยวจะคุยกันคืนนี้พวกลงสีว่าจะยกเครื่องอย่างไรแต่นี้โจทย์ของทุกท ก, กลุ่มก็คือว่ากลุ่มพาณิชย์เนี่ยให้คิดปรับปรุงจุดอ่อนทั้งหมดคําว่ายกเครื่องคือการปรับปรุงจุดอ่อนทั้งระบบเลย ท, เเเเทั้งเครื่องเครื่องเครื่องเข่าทั้งเรื่องเลยไม่เอาเฉพาะลูกสูบไม่เอาเฉพาะยกเครื่องคนและระบบนี้สำคัญมากคนจะปรับยังไง คนจะมามาเสริมคนรุ่นเก่ายังไงจะสืบทอดยังไงแล้วก็คนรุ่นใหม่จะเข้ามายังไงคนนอกอโศกจะเข้ามายังไงนี่เรื่องคนเรื่องระบบก็คือสิ่งที่เมื่อกี้เราไปเห็นโรงสีก็รู้ว่าต้องปรับปรุงอะไรบ้างศึกษาซึ่งต้องศึกษาต่อนะครับแต่วันนี้ก็คิดรวมกันระหว่างโรงปุย๋ยโรงศีหรือสากกร์ซึ่งเป็นระบบพาณิชย์ของอโศกทํำยังไงจะให้เป็นบุญนิยมที่สมบูรณ์เออคำผมใช้คำเดียวกับที่ออกมาเมื่อกี้บุญนิยมที่สมบูรณ์นะครับ คือการตุ่มโฮมคือการเป็นหน้าหมู่ภาษาเหนือเรียกว่าหน้าหมู่คือสาระโพคีนั่นเองที่พอท่นใช้นะครับได้อย่างไรชัดไหมครับเมื่อคืนเรานั่งทํางานกันนักเดึกไอ้เมื่อเช้าตีห้าก็พบว่าพอเราพบว่าจุดสุดท้ายเราต้องเป็นสาระโพคีใช่ไหมครับเพราะพาณิชย์ไม่ใช่พาณิชย์ทุนนิยมแล้วจะทำอย่างไรให้ลงปุย๋ยลงสีสากกรเนี่ยเป็นระบบบุญนิยมที่สมบูรณ์โดยการยกเครื่องที่จุดอ่อนลือกันจะลื้อย่างไรบ้าง กลุ่มลงสีเขาลือไปแล้วเมื่อกี้คุยไปแล้วนะครับลงสีเนี่ยเขาลื้อประมาณสัก4ีหประเด็นประเด็นแรกคือมีคณะกรรมการเฉพาะโรงศีมีคณะทํางานอันที่สามีระบบแต่ละขั้นตอนยังไงจะแบ่งงานกันแล้วมีระบบที่จะแก้ปัญหาหรือกําลังคนยังไงแก้ไปแต่ละจุดเลยนะครับแล้วก็ไปศึกษาโรงศีก็ก็เดี๋ยวเขาจะมารายงานกันก็วันนี้ให้กลุ่มที่สเนี่ยพูดคุยกันแล้วกลุ่มโรงศรีเนี่ยได้มีคําตอบไประดับหนึ่งแล้ว นะครับก็หาลือ้อกันมาจนถึงมื่ีนี้นะครับว่าจะยกเครื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้ลงสีเป็นตัวแวเชื้อแล้วก็คิดไปถึงลงปุย๋ยแล้วก็สากรบุญนิยมของเราว่าอะไรควรลื้อบ้างลือคือปรับปรุงนะครับจุดอ่อนมันต้องต้องเอาจุดอ่อนมาเป็นตัวตั้งไหมครับกลุ่มนี้ต้องไหมครับเพราะฉะนั้นห้ามคิดลือเอาเองฉันฉันมันไส้คนนี้ฉันฉันไม่ชอบอระบบนี้ เอาละกูจะลื้ไม่ใช่ครับต้องเอาจุดอ่อนที่เรารวบรวมมาเมื่อวานรวบรวามไวา้ไ ว, าาวา้หรือเปล่าครับมีอยู่ในกระดาษใช่ไหมครับมันจุดอ่อนที่มีอยู่ในกระดาษที่พวกเราเรารวบรวมเมื่อวานก็ต้องเอามาใช้ทําอย่างไรจะให้เป็นบุญนิยมที่สมบูรณ์เพื่อสมบูรณ์คือทั้งเราทั้งเขาได้สัมผัสคําว่าบุญนิยมร่วมกันได้ข้าวที่มีสุขภาพได้ข้าวสารที่ต้นทุนต่ํา ได้เข้ากล้องที่ดีอย่างงี้ก็คือแล้วก็โศกก็ได้เปลี่ยนเป็นบุญนิยมในขั้นสุดท้ายก็คือทําให้กําไรที่อโศกได้ก็ทําเป็นบุญนิยมอีกโดยการเปลี่ยนเป็นความรู้เป็นความรู้เป็นเป็นการจัดการความรู้ไปเผยแพร่แล้วก็เป็นตลาดอารยะใช่ไหมครับอันนี้ก็คือความสมบูรณ์ผมไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนที่ชาวโศกต้องการนะครับแต่ว่าต้องอธิบายให้ได้ว่าได้อย่างไรเพื่อจะได้คำวิสาะาระโภคีเอาคำวนนี้ซึ่งเพราะท่าน ได้บรรยายมาตลอด30ปีคำว่าสาระโปคีนะครับประเทศนสอนชัดไหมครับกลุ่ม3มีคําถามไหมครับอันนี้จะเห็นว่าทุกกลุ่มกำลังต้องไปวางอันนี้จะเป็นการลือ้อหรือยกเครื่องเพราะนั้นจะคิดจากโจทย์อะไรครับจะเอาปัจจัยอะไรมาคิดปัจจัยจุดอ่อนกับกับอะไรครับกับโอกาสเพราะฉะนั้นโอกาสที่มี3โอกาสใหญ่จะเลือกโอกาสไหนจะเลือกจะจุดอ่อนเนี่ย เอาทุกตัวเลยครับที่คิดได้ใช่ไหมครับโอกาสก็เลือกว่าจะอาโอกาสตัวไหนชัดเจนไหมครับแล้วกาหนดยุทธศาสตร์ตามโอกาสอาหนึ่งอสองอาสาหรือหรือจุดอ่อนที่มีอยู่ทุกข้อว่าจะแก้อะไรแก้อะไรนะครับพอพ อ, พอเห็นชัดเจนไหมครับลองดูลองช่วยกันคิดนะครับกลุ่มที่สี่ครับถ้าไม่มีคายกมือครับ4 4ครับ อ่าคราวนี้ไม่ลือแต่คืออันนี้ไม่ถึงกระลือแต่แก้บางจุดจุดที่สําคัญคือคนใช่ไหมครับการระบบมันอันนี้ก็ให้กลุ่มบริการเพราะว่าบริการวันนี้ต้องบริการนายโศกนายโศกพี้ที่ดั่งคุยกับพิชวัตรเนี่ยเมื่อกําลังคนชาวโศกขาดจะเพิ่มอย่างไรพิชวัตรก็มีความคิดมาจากสื่อจี้มานั่งคุยกับผมหลายอย่างก็ แต่ไม่บอกว่าคืออะไรนะครับเลองคิดว่าจะแก้ปัญหาโดยการพัฒนาคนของเราไหมถ้าท่านสมณนะว่าคนของเรายังไม่ไม่เต็มร้อยจะเต็มอย่างไรจะพัฒนาให้ทักษะวันนี้เราเป็นการทำงานก็ต้องไปทักษะอาสาเข้าไปช่วยโรงสียกตัวอย่างเมื่อกี้ไปกันเราก็ต้องไปเรียนรู้ว่าระบบโรงสีมันทํางานอย่างไรพอเพชรก็ให้ความรู้พวกเรามันเราจะพัฒนาคนหรือระบบอย่างไรคําว่าพัฒนานี่คือค่อยๆพัฒนาไปเรื่องๆไม่ไม่ยกเครื่องออกไปเลยนะครับก็จะดูว่าเพช แรงงานที่จํากัดเพราะนี่เป็นโจทย์ร่วมของทุกคนของชาวโศกเท่าที่ผมฟังมาตลอดนั้นโจทย์ก็คือว่าจะแก้ปัญหากําลังคนซึ่งเราจะเพิ่มไม่ได้จะเพิ่มได้ยังไงในตัวพวกเราหรือจะเพิ่มโดยจํานวนคนหรือจะเพิ่มโดยใช้ความสามารถของเราเรียกร้องให้ปลุกระดมจิตใจของแต่ละคนขึ้นมาช่วยกันงานที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับในเรื่องบริการบริการมีหลายด้านนะครับบริการชุมชนในโศกแล้วก็บริการสุขภาพอาหารผมก็ทิ้งไว้ในและอื่นๆ ด้วยจุดแข็งอะไรบ้างและอย่างไรชัดไหมครับให้คิดว่าเอ๊ะคนอโศกเนี่ยจะพัฒนาได้ไหมโดยใช้จุดแข็งที่อโศกมีคือจิตอาสาแล้วก็อะไรอีกก็แล้วแต่ก็ไปหยิบปัจจัยจุดแข็งมาเอ๊ะจุดแข็งที่หนึ่งจุดแข็งที่สองที่สาหรือจะเลือกทั้งสตัวหรือทั้งสองตัวและหนึ่งตัวก็ได้แล้วทําอย่างไรครับอันนี้ก็กลุ่มที่บริการพราะบริการในหัวใจอยู่ที่ความมีจิตอาสา แต่ขณะ น, นี้มีอารมณ์ที่อ่อนไหวต่อความงานที่หนักแล้วก็แล้ ว, แ, ล ว, แ, ลวแต่ที่เสนอกันมานะครับมัแต่ว่าเราจะข้อเสนอก็คือว่าต้องหาทางเพิ่มเพิ่มคนจานวนจริงหรือไม่ที่เราขาดคนเมื่อกี้คุยกับพิชวัตรแบบประเด็นนี้เด็กไม่ได้ใหม่อะไรหรอกมันประเด็นมา30ปีแล้วผมไม่รู้ผมเพิ่งมาใหม่ผมก็อกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันขาดการ ข, ขาดแรงงานที่จํากัดนี่มันคืออะไรแล้วก็จะพัฒนาได้หรือไม่นะครับ ก็กลุ่มที่4ี่ชัดไหมครับมันต้องตอบว่าอย่าตอบว่าพัฒนาด้วยการศึกษาอย่างเดียวนะครับตอบว่าวิธีการให้ชัดกันอีกถ้าจับทุกคนมาเข้าวอนบอวันนี้ทุกคนอยู่ในวอนบอร์หรือยังครับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าจับเข้าวอนบ อ, บอก็ทุกคนอยู่แล้วจะ ต, ต้องบอกว่าจะทํานอกจากหลักสูตรวอนบออย่างไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็ฝากคิดในกลุ่มที่4กลุ่มที่ห้าครับที่4ี่มีคําถามไหมครับกลุ่มที่หครับที่ผมอธิบายรวมเพราะว่ามีเชิญครับ อ๋อสลับกันเนะี่ยใช่ใช่ใช่เออไม่ใช่พอดีผมจำผิดมัเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าเปลี่ยนไม่ได้เ พ, เพราะมันฐานบริการจะคิดจาจุดแข็งจุดอ่อนของบริกา ร, ร, การครับเพราะฉะนั้นเออ เอ า, อางี้ก็กลุ่มกสิกรรมเนี่ยไปอยู่กับเรื่องที่ว่าจะตั้งรับทุนสามานได้อย่างไรเพราะว่าเจอแน่ที่นาเพราะเหมื่อกี้เขาเาจะว่ากลุ่มที่สองเนี่ยผมเขาจะว่ากสิกรรมนะใช่เปล่าเพราะว่าเป็นเรื่องผมเขียนที่นาใช่ไหมครับเกษตรไหมเกษตรอินทรีย์กับกสิกรรมก็เรื่องเดียวกันอ๋อสลับตัวเลขเฉยๆผมงงเลยที่ถาม ก็อธิบายไปแล้วอ๋อสกับสสลับกันใช่ไหมครับกับศีกรรมก็คือใช้โจทย์ตั้งรับทีนี้เอาเอาเอางแก้ตัวเลขแต่ว่าเป็นโจ้ยมีกลุ่ม2กลุ่ม2เป็นกลุ่ม4ใช่ไหมครับกลุ่มสเป็นกลุ่มโอเคแค่สลับตัวเลขงั้นไม่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เอากลุ่มบริการกลุ่มสชัดไหมครับกลุ่มสมีคําถามไหมฮะเรื่องบริการเนี่ยเราจะบริการโดยการพัฒนาคนของเราเพิ่มขึ้นได้อย่างไรเพิ่มนี่ผมไม่รู้ว่าเพิ่มอะไรนะครับ ก็แล้วแต่ถ้าเพิ่มจํานวนเพิ่มความสามารถของพวกเราเพิ่มจิตสํานึกเราให้ทํางานด้วยอารมณ์ที่มีความสุขได้อย่างไรก็แล้วแต่ที่ที่จะคิดกันนะครับคําถามคือว่าอย่างไรแล้วก็ใช้จุดแข็งของชาวโศกที่ค้นพบเนี่ยได้อย่างไรใช้จุดแข็งที่ ท, ที่มีนะครับในการพัฒนาคนเหล่านี้ชัดไหมครับกลุ่ม4ี่พระจะได้ผ่านไปกลุ่มสุดท้ายครับพัดชัดนะครับคิดถึงเย็นเลยนะครับกลุ่มหครับเจม เอาลกลุ่มนี้มีลักษณะพิเศษหน่อยใช้สื่อสมัยใหม่ทั้งนั้นเพราั้นแล้วก็เป็นกลุ่มที่ไปตระเวนดูทุกกลุ่มมาตลอดคือไปทุกราชธานีเพราะเป็นคนสื่อสารผมก็เปรียกมันลําไส้ที่คอยลํำเลียงอาหารออกมาเนี่ยเพราะนั้นกลุ่มนี้เราดูกลุ่มนี้จะเป็นคนวัยวัยวัยวัยวัยรุ่น <c oughs> ก็เลยลองตั้งคําถามให้เขาอย่างนี้นะครับว่าอะไรบ้างที่ควรเลิกอันนี้เพื่อเพิ่มไปก่อนถ้ามีนะครับวงเล็บถ้ามี เพราะอะไรเพราะภายัยคุกคามอะไรที่เป็นลบเพราะจุดอ่อนในอโศกที่เขาไปตะเวนถ่ายกล้องถ่ายรูปแล้วรับฟังมาทุกเวทีแล้วค้นพบว่าจุดอ่อนที่จะเลิกถ้ามีก็เอาชี้มาว่าควรเลิกเถอะเพราะว่ามันมีภยัยคุกคามและมีจุดอ่อนในฐานงานนั้นางานนี้อันนี้เป็นฐานงานเล็กๆหรือหรือเป็นกิจกรรมเอาเป็นฐานงานไม่กิจกรรมดีกว่าเพราะผมไม่รู้ว่าอะไรบ้างจะมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับทดลองคิดว่า ถ้ามีเนี่ยควรจะคิดเรื่องการเลิกไหมเป็นตัวเลือกสําหรับการเลิกสําหรับกลุ่มที่ห้านะเจมแล้วก็ฝากคิดอันด้วยว่าอะไรบ้างที่ควรรุกหรือขยายเพราะให้คิดทั้งบวกและลบอันนี้เลิกนี่ลบสุดๆเลยอันนี้คือรุกลุกด้วยสื่อครับเพราะในฐานเขาเป็นกลุ่มสื่อเนี่ยอะไรที่ใช้สื่อโดยไม่ต้องออกแรงมากใช้สื่อสื่อออกไปนั้น จะลุกไปหากลุ่มเป้าหมายไหนที่เขาขาดที่ที่บอกว่าคือกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มคนในเมืองนะครับกลุ่มคนรุ่นสวที่ก็จะมีอยู่ในภาคชนบทบางพื้นที่นะครับงั้นก็ฝากข้อสองจะทําการรุกไปหาหรือขยายไปหากลุ่มเป้าหมายไหนด้วยสื่อผสมอะไรบ้างที่เขาใช้มือใช้อยู่ก็ฝากสุกุมสื่อคิดนะครับว่าจะใช้สื่อขยายตัวเองเรื่องบูรณาญาของกระสศกได้อย่างไรชัดไหมครับกลุ่ม5 ชัดชัดทุกกลุ่มนะครับใช้กลุ่มหกลุ่มนี้คิดกันถึงาตามที่ตกลงกันเลยครับแล้วก็คืนนี้จะมีมีมีเวลาไหมครับคืนนี้ครับก็สักประมาณทุ่มหนึ่งผมคิดว่าจะลองดูว่าความก้าวหน้าทุกคนพร้อมสรุปกันมไหมในการเอาตั้งเป้าไว้ทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่งให้เสร็จมานําเสนอ ละละกลุ่มเพราะว่าเพื่อสองทุ่มเราจะได้ไปทำกิจกรรมอื่นรือจะพักผ่อนกันนะครับเอาตามนี้ไหมครับ อ, อันนี้ถ้าใครจดไปแล้วก็หรือไม่เอกสารที่จะแจกโอเคครับไ ม, ไม่มีคำถามนะครับก็ใช้กลุ่ม5กลุ่มเดิมนะครับ1 2 3 4 5สามสี่ห้า แบ่งกลุ่มแล้วอันนี้เป็นการฝึกสังเคราะห์และต้องใช้ปัจจัยมาเชื่อมโยงกันปัจจัยสวอตตอนี้เราจะทิงท้งจะทิ้ง2จอไม่ได้คือจอจุดแข็งและจุดอ่อนเนี่ยกับโอกาสก็อยู่ในเอกสารอยู่ทุกคนจดไปแล้วนะครับอย่าพยายามคิดนอกข้อมูลที่เราระดมกันมานะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเราไม่เคารพตัวเองเพราะเราระดมกันมาเองใช่ไหมครับองคจงใช้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมาจากที่เราช่วยกันทำนะครับอย่าสอดแทรกอะไรของขอ ง, ของ ข้อมูลอื่นมาเพราะว่าอันนี้เราเราทำจากของจริงที่ทุกคนทำกันมานะครับก็ชัดไหมครับทุกคนมีสวัสดอยู่ในมือใช่ไหมมีจุดแข็งจุดอ่อนนะครับมอย่างละ3อย่างน้อยหรืออย่างละจุดอ่อนนี่มีเต็มเลยแล้วก็มีโอกาสและภัยคุกคามก็ลองเอาเขากับเรามาสนที่กำลังกันนะครับว่าเราจะเลือกทายุทธศาสตร์อะไร จากนี้ไปเพื่อบรรลุเป้าหน่ยครับเป้าที่อยู่บนกระดาน2ด้านเนี่ยใครจะชอบที่จ ะ, ละกลุ่มก็ตรงหนังสือผมก็เขียนประเด็นสำคัญไว้ที่ด้านขวานะครับก็จะทิ้งเป้าไว้ให้ดูว่าเป้านี้เราจะได้ได้อย่างไรใน10ปีข้างหน้าหาวิธีเดินจะไปด้วยวิธีไหนครับเชิญครับแบ่งกลุ่มเลยครับ3โมงเชิญเลยครับพักสัก10นาทีแล้วก็3โมงเริ่มนะครับแบ่งกลุ่มกันเองครับถามว่าอะไรครับ ที่เดิมแต่เวลาใหม่เนื้อหาใหม่อีกแล้วอันนี้เป็นการสังเคราะห์นะครับภาษาผมก็มันเป็นการเชื่อมโยงเราต้องรู้จักการเชื่อมโยงแล้วชาวโงนี่ก็ทำงานแบบบูรณาการมาตลอดนะครับเพราะนั้นการเชื่อมโยงนี้นะจะไม่ยากเกินไป